ถั้โอกาสได้ไปแสดงธรรมเผื่อฝรัง่งก็สนใจก็จะได้สอบถามเป็นโอกาสให้มีการสนทนากันใหม่ๆนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าในอังกฤษนี่ขึ้มีกฎหมายห้ามขอทานในเวลาพระไปบิณฑบาต น, นี่ก็มีคนไปฟ้องว่าพระมาขอทานก็ต้องเจรจากันนะว่าไม่ได้มาขอทานนะอันนี้มันก็เป็นการทำาศาสนกิจแบบหนึ่งไม่ได้หวังเอาอาหารนะแต่เอาคน แล้วก็ไม่ได้เป็นการโปรดญาติโยมไปด้วยตอนที่ตะมาอยู่อเมริดีนบินทบานนี่ก็ออกสายนะประมาณแปดโมงถึงจะออกกว่าจะกลับวัดก็เกือบเพล น, นะก็คือทั้งเช้าเพราะว่าต้องเดินเข้าเมืองเมืองก็อยู่ไกลนะเดินก็เกือบเป็นชั่วโมงแต่ว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าเดินผ่านป่าป่าประเทศกินนีนมันไม่รกไม่คลุ้มเท่าเมืองไทยนะแต่ว่า มันมีสเสน่ห์เพราะว่ามีสิงสาราศาสตร์ให้เห็นอยู่เป็นประจำบินท บ, บายนี่ก็บางทีก็เจอกวางเจอกวางกวางเขาถูกปล่อยให้เลี้ยงให้อยู่กินตามธรรมชาติขนาดว่าป่านี่ ก, นะ ก, ก, ก็ไม่ได้อยู่ไกลเมืองนะอยู่ติดกับเมืองเลยเมืองเบอร์คแฮมสเตดแล้วก็เบคแฮมสเตดก็ไม่ได้อยู่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่จริงจริงแม้แต่ลอนดอนเองนี่ก็มันก็มีป่าอยู่ใกล้ๆกลนะคนก็เจอจิ้งจอกเป็นประจำบางทีก็เจอหมี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 ที่วัดอมารวดีนี่เขาก็ฉันมื้อเดียวนะแต่และมื้อครึ่งก็ได้ตอนเช้าก็ฉันฉันประเภทพวกข้าวโอ๊ตนะฉันข้าโอ๊ตข้าต้มแบบของเขาอ่ะเรียกว่ารองท้องแล้วก็มาฉันอีกทีจริงๆก็คือตอนเพน <S <S ถ้าเป็นเมืองไทยวัดที่ฉันมื้อเดียวเขาจะฉันประมาณสายๆหน่อยเก้าโมงสิโมงนะแต่ว่าอมารดีก็11บเอโมงก็มีโยมาถวายอาหารนะทางวัดก็ทําเพิ่มได้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 แสดงความเคารพ น, นอบน้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า น, นี้มันก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เป็นยางไรก็คิดว่าคงจะคล้า ย, ายของเดิมเพราะว่าพุทธศาสนาในอังกฤษตอนนี้ก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะก็รอเป็นเกรดนะเตรียมรับพร